ตอนอบรมคอร์สนาวามินระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน2559ตอนที่9การกราบไหว้เป็นกูบายวิธีลดตัวตนนะ <S <S บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะวกาครูไม่ใช่พระทำไมต้องกราบสามครั้งไม่มีเงื่อนไขนะไม่กราบว่าเป็นเป็นแค่กุ บ, บายวิธีลดตัวตนรู้จั ก, กัระหนูรู้คุณมันจะสร้างพลังให้เราคำว่าพระเนี่ย เรากากพรนะนพระอยู่ในภูเขาจิตอยู่ในภูเขาจิตนะคนจีนบอกหัวใจลิงสันที่แต่งตัวข้างนอกเป็นเราโกนหัวเระห่มเหลืองนี่หลายๆจตุสศาสนาอันนั้นคนจีนเขาเรียกว่าเหอสร้างคนไทยเรียกว่าพิกษุพระอยู่ในภูเขาจิตพระมีแปดระดับขั้นต่ำสุดคือโสดาปฏิมิ โสดาปฏิผลนี่คู่แรกสกิทาคามีมัตสกิทาคามีผลนี่คู่ที่สองอนาคารีมัตอนาคามีผลนี่คู่ที่สามอารหัตตมัตรอรหัตผลนี่คู่ที่สี่สี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่กาบไหว้และบูชานะพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธ ที่เรากล่าวว่าพุทธรูปเนี่ยเพื่อเราลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากอิเล่พราะพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้นะเราต้องเข้าใจว่าพระพูดคืออะไรพระพุทธเจ้าคือผู้เห็นธรรมมาก่อนนะเรายึดถือพระองค์เป็นสารณะเราเชื่อมั่นศรัทธาว่าพระองค์พ้นทุกข์ได้จริงๆเรากําลังเดินรอยตามที่พระองค์ทำไม่ใช่ไปท่องจําสิ่งที่พระองค์พูด นะไม่จะขยกกันความรู้ทำตาม ท, ที่พระองค์ทำเป็นธรรมนีที่จะผลทุนนะพระองค์เองก็ไม่มีพระตจบิดขาดไม่ไปท่องจำอะไรพระองค์เริ่มจากปฏิบัติก่อนลองถูกลองผิดอยู่หพันสาเมื่อตัดสู้ทำเข้าสู่ปฏิเวรก็สิ่งที่รู้เข้าเห็นน่มาบอกกล่าวเขาทีพูดได้จะเป็นพระอานนท์หรือเปล่าเป็นคนบันทึกไวน้นะเพื่อนต่างชาติก็กลุ่สังกัสไนเข้าบอกวานที่ทานปลัมปลาเขาไม่เชื่อมไม่ไม่สําคัญ ไม่สําคัญนะมันสําคัญว่าเราลองปฏิบัติหรื อ, อยังถ้าเราเข้าถึงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราจะถาคนเมื่อเราเข้าถึงธรรมเราจะเข้าใจพรทธเจ้าเราเห็นพุทธเจ้าพุทธะจิตอยู่ข้างในแล้วจะเข้าใจสิ่งผู้เจ้าตรัสรูู้สิ่งที่พระองค์อยากบอกเรานั้นนะพูดด้วยภาษาไม่ได้เข้าใจไหมภาษามันยาวเกินไปพระองค์จึงเตือนเราว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำราอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราถ้าเขาพูดโดยภาษา บางทีท่านเป่งออกมาร้อยเปอร์เซนแต่ปัญญาเราไปถึงเราเข้าใจผิดแล้วก็ไปปฏิบัติผิดนะพระพุทธเจ้าจึงแปลว่าผู้เห็นทำมาก่อนพระธรรมไม่ใช่คําสอนพระเจ้าซึ่เป็นตัวหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นหนังสือชุดหนึ่งซึ่งพูดถึงเรื่องพุทธประวัติพระไตรปิฎกไม่ใช่พระธรรมเห็นไหมพระธรรมเนี่ยไม่มีตัวหนังสือนะพระธรรมในที่นี้คือสิ่งที่ถูกเห็น ผู้เจ้าตัดสรุ้อะไรเห็นธรรมะพระธรรมนี้มีอยู่คู่โลกคู่จั ก, กรวาลมีก่อนที่เจ้าชายเถระจะประสูตรในโลกนี้พระเจ้าชายเยระเป็นผู้เจ้าในสายพุทธเราเนี่ยองที่ยี่สิบแปดผูเจ้าทั้งหลายก่อนหน้าดียี่ส็ดพระองค์จะเป็นทีบังกรกับศากระแล้วแต่ไม่มีพระไตรปบาล น, นะไม่มีพระสรงของแม้ท่านเหล่านั้นก็บรรทุกทําได้เนาะอันนี้้เข้าใจพระธรรม จึงไม่ใช่แค่คําสอนพุทธเจ้าเพราะธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นก็ค์เป็นตัดสินมานะพระสงฆ์ในที่นี้เนี่ยคือผู้เห็นธรรมตามมาถ้าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมขั้นต่ําสุดคือโสดาปัตติมัตคขึ้นไปเนี่ยนี่คือพระอริยสงฆ์เป็นผู้เห็นธรรมตามมาส่วนเิรสุภิกษุณีปุบาสกปุบาสิกาเป็นผู้แสวงธรรมตามมายังไม่เห็นธรรม เข้าใจสิ่งนี้ถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้เราจะลงติดตรงนั้นน่ะจิตไม่บรรลุนะนี่คือพระรัตนาไตพนะระคุณพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงดวงจิตนั้นนะ่ะเข้าไปถึงโสดาบันขึ้นไปหรือเปล่านะจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมขั้นต่มสุดคือโสดาบันโสดาปฏิมาขึ้นไปนะให้เข้าใจตรงนี้นะส่วนเป็นเพณีเรากราบไหว้อะไรเนี่ยเรากราบผู้ใหญ่กราบอะไรมันเป็น คุบายทำให้เรานอกนองถรตุนทำลาอัตาเรานะทำก็ได้ไม่ทำไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ใช่กฎเกณ์อะไรแล้วก็ก็เดี๋ยวจะสรุปก็ครูก็ฝากบอกล้วกลับไปใช้ชีวิตทางบ้านคงไม่มีเวลาขนาดนี้เนาะตื่นเช้าเนี่ยเข้าห้องน้ำเห็งานแรกเนี่ยเออยังไม่ทำอะไรอยู่ในห้องน้ำคนเดียวยขอให้เช็คกิ้งยืนเช็คกิ้งนะคือสัญญาเทือนในสักห้านาที เป็นการปนนลุกเพรอนรับทุกร์อนทับตัวเองเป็นตลอดคืนเนี่ยนะก้ามเนื้อเส้นเอ็นเลือกตรงมันโดนทับเห็นไหมเหมือนสุนัขมั น, อนนอนนานๆลุกขึ้นมางานแรกมันยื้มันเช็คจริงๆระคนสั่งเลยนะนี่คือธรรมะและบางที vel, o, <explicit. ๆ S 1> มันเห่ามันหอนอ่ะมันปล่อยคลายอารมณ์เครียดสุนัขมันจึงไม่เป็นมะเิพงชีิตพวกเราอะไรก็กดไว้กดไว้ดีใจก็หัวร้อนแรงไม่ได้มันมันเสียมารยาร้องไห้ก็ร้องไห้ไม่ได้เดี๋ยวเสียศักดิ์ศรี กดไวนะ้สะสมความเครียดพ่อครูพูดตั้งแต่27่ปีก่อนขงเกิดเร า, าเหมือนพูดพ่อครัวมะเร็งโรคไัไข้เจ็บหลายอย่างเกิดมาจากความเครียดหมอต่างๆด่าพ่อครูอย่าเลยบ้าทุกวันนี้ทุกคนยอมความเครียทดทําลายภูมิคุ้มกันเราไม่ให้ตัวอย่างเราทานข้าวนะเรามีเครื่องมือเรามีฟันมาเคี้ยวนะมีน้ํำลายมาย่อยแป้งย่อยอะไรแล้คืนมัเป็อพาะเราใช่ก็มีย่อย ย, อย่ยอย เขาทำไมเขาลูกเขาย่อยปุ๊บเขาเอาสารอาหารดีๆยงมาใชา้ของเสียขับทิ้งเรามีโรงงานฟอกอากาศเรามีสมองกลเรามีโรงงานขับน้ำเสียขับกากอาหารนี่คืออิมูนซิสเต็มมีปุมกันโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราเครียดปุ๊บปมิคุมกันมันทำงานไม่เต็มร้อยนะพอไปกินสารพิษเข้าไปแล้วเนี่ย มี ม, มีมีพระวัดเส้าหลินมีรูปหนึ่งอนี้เรียนแบบไหมนะไม่ใช่ทุกคนทําได้มันเป็นบรารมีเก่าฝึกมาหลายชาติเอายาพิษมาตั้งกินให้ดูรีบขับออกมาเรามีตรงนี้แต่ตอนที้เราอ่อนเนียชีวิตเราเครียดมากทุกอย่างต้องแข่งทันแข่งขันแข่งขั น, ข น, ข น, ขนจึงจะดำรงชีวิตได้เพราะกลัวที่หัวมนุษย์เราเนี่ยทําไมเผลอพัฒนาจนถึงวันนี้ได้กว่าจะอยู่ได้นี่ลำบากมาก เด็กคนหนึ่งสอบมหาลัยปีที่แล้วได้ไปเรียนวิทยาศาสตร์ที่ขอนแก่นมาปฏิบัติเขาขากลับกขามาหาพ่อคูพ่อคูก็เลยพูดลูกตอบพ่อคูหน่อยเรียนไปทําไมเขาก็นั่งคิดว่าเพื่อเอาตัวรอดค่ะนูไม่เคยทะยาเพราะอย่างนั้นลูกไม่ต้องเรียนกอกลูกนะไปเรียนวิชาทาสานกับลิงลิง เ, เอาตัวรอดนะและมันลิงก็ไม่ต้องเทงรียดเลยไม่ต้องออมีเจ้าหนีห้ลุงนี้ เข้าใจว่านักกออาร้อดยังไงเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐไม่ใช่แค่เอาตัวรอดนะเราต้องมีส่วนเกินสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่กินแล้วก็ตายนะหางเงินหางเงินแล้วก็ตายย่่าใช้เสียชาติเกิด น, นะและอนาคตชาติเราสะสมอะไรไว้ไปใช้ตรงนั้นนะเราทำต้องมีส่วนเกินสร้างอริยทรัพย์ไอ้โปรแกรมนี้เนี่ยเราไปเผาเราตายพวกไปเผาเนี่ยกลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นชาติดิน แต่จิตวิ ญ, ญญาณนี่ธรรมชาติบอกอยากฆ่ากําไรเกินคนรผาแล้วหนีนี้ใช่ไหมไม่ไมีทางและโปรแกรมนี้แหละจะส่งให้เราอยู่เกิดอยู่ในล่างที่ดีขึ้นที่เร็วลงเพราะครูไม่เคยเชื่อเรื่องคงที่เพราะครูเป็นคนกลุ่มกลุ่มคนไทยแรกที่อเมริกานะนะผลิตคอมพิวเตอร์ขายทั่วโลกตั้งวงชัย TWC แล้วก็แทนคอมพิวเตอร์สองนี่ก็ผลิตไม่ทันขายไปมาพูดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปของกุ๊ตไปยังไง นั่งหลับหูจับตาจะเกิดปัญญาไปในกายเลยเพราะกูเป็นคนดื่อมากแต่ละงจากมันเกิดระเบิดพว๊บนี่พวกกูเที่ยวไปกราบขอความายลูกน้องที่ว่าบางอย่างเราคิดว่าเรารู้ก็เรารู้นิดหนึ่งเหมือนตอนนี้เรารู้ว่านาฬิกาเนี่ยเลขสูงสุดมันเลขสิบสองนั่นแหละจริงหรือเปล่าจากเลขหถึงเลขสิบสองกี่นาทีสามสิบนาทีจากเลขหกถึงเลขหกี่นาทีหกสิบนาทีสูงสุดคืนสูงสาม เรารู้วิชาการจะจบดอ็อกเตอร์สูงสุดนะแต่เราไม่รู้รอกเรื่องบทแข่กรรมเห็นไหมจบปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์ปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แล้วออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาเรื่องเรียนภาษามันทะเลาะ ก, กันยังไหเห็นไหมหมู่บ้าน ท, ที่พวกคูอยู่นะ่ะชาวนาสอนควายไถนาทามันไม่เคยทะเลาะ ก, กันเลยนะเพราะมันไม่เรียนรู้ภาษาเราไม่รู้ภาษาหรอกเราหลงภาษา เราคิดว่าเราเก่งคุยกัไม่รู้เรื่องเนีทุกคนนี้ยิ่งเรียนยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องให้เราเข้าใจก่อนพวกคุณไม่ได้ต่อต้านการศึกษานะแต่คุณต้องรู้ก่อนเรียนไปทําไมไม่ใช่เรียนแค่อยู่ได้แค่รวยกว่าคนอื่นตายเปล่าคุณไม่ได้มีอริยทรัพย์สะสมไว้ขนาคนชาติเลยแล้วเผลอมาสร้างกรรมด้วยนะไม่ได้เกิดเป็นคนอย่างนะอาจจะเกิดเป็นคนแต่เป็นคนที่ไม่เต็มบาสนะคนสามถลึง ไม่ใช่ยกไม่ใช่ไม่ใช่ใชยงาบาปทีพ่พระเจ้าที่ไหนมากําหนดให้เราไปเกิด น, นันเกิดนี่นไม่ใช่น ะ, ะทาไมเด็กสองคนฝาแฝดเลย d n a อเหมือนกันเลยนะวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเหมือนกันพ่อแม่เดียวกันทําไมไอ น, นี่ขี้แยนี้ไม่ขี้แยไอ้ น, นี่ไอคิวสูงอันนี้ไอคิ ว, นน ว, นนวต่ำไอ้ น, นี่แข็งแรงนี่ไปแข็งแรงใครเป็นคนกําหนดตอบพระคุณหน่อยนักวิทยาศาสตร์ตอบหน่อยก็ DNA เหมือนกันไงเหน็น ไ, ไหมโปรแกรมกรรมมันที่มันฝังอยู่ใน d n a อ็นเอนะมันไม่เหมือนกัน ทั้งแต่วันแรกเขาพูดบอกแล้วสตีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดไปเจอชายชะกันห้าคนเนี่ยลงมาแก้ปัญหาให้อีกวันหนึ่งเวลาเดียวกันที่เดียวกันแต่คนละวันอีกท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดไปเจอชายชะกันห้าคนคนละกลุ่มมันไม่ช่วยนะมันมาฆ่าผมคืนภูบาตาเหตุทั้งสองอย่างนี้ทําไมคนนี้รอดทําไมคนนี้ตายระบอกบังเอิญบังเอิญคนนี้โชคดี ถูกคนช่วยบางคนคนนี้โชคร้ายถูกคนฆ่านั่นแหละโชคดีโชคร้คายคันเป็นตัวกําหนดบางคนบกพระเจ้ากําหนดทําไมพระเจ้าจึงเลือกทีรักมักที่ชังพระเจ้ า, เอาอะไรกําหนดว่าตรงนี้ต้องรอองจะตายไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญนะอุบัติเหตุมันแปลว่าอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิด ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเองิญพิสูจน์ได้ยังไงท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมกุลนั้นในรอกพิสูจน์ได้ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ต้องใช้ห้องแล็บด้วยเรามีอยู่แล้วเต็มเปลี่ยนเรามีกายเวทนาจิตตามเทวดาทําไม่ได้เทวดามันทุกข์มากที่ต้องเสีสุขทุกข์มากนะจำใจซ้ำชาติเพราะว่ามันติดกรรมดีไงพอติด กรมดีหมดวันแรกเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีเทวดาค ล, ลอดออกมาแล้วก็ร้องไห้ละเทวดาร้องไห้ทําไมสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ยในวัฏฏะสงสารยังไม่ให้ถังมันอยู่เรามาปฏิบัติเดินทางต่อเพื่อเข้าไปสู่อริยสมบัติขั้นต่ำสุดคืโสดาปฏิมาขึ้นไปเหมือนได้วีซ่าแล้วเนี่ยไม่มีนรกอีกแล้วนี่คือสิ่งที่เรามาเกิดไม่ใช่เกิดมาเลียงเก่งๆหาเึินเยอะ แล้วก็รวยแล้วจะไปซื้อความสนุกสนานแล้วก็ตายตายเปล่านะไอลิงนะไอรินเราต้องยิ่งใหญ่นะไม่ใช่แค่อยู่ได้เราต้องมีส่วนเกินเราต้องไม่ใช่สะสมกับตุนเราสะสมอริยทรัพย์อริยทรัพย์ตรงนี้ก็แรกโดยการให้สลัดความร่วงความเหนียวนั่นแหละคนอื่นไม่รู้ชั่งเขา โรงเรียนพ่าครูยอยู่ชี่โนนครูเขาก็สอ น, น่ะเออเรามีเป็นป่านะกวาดใบไม้อะไรอะไรมันก็กวาดกันนะเออมันกวาดเพราะอะไรหนึ่งส่วนมันจะได้คะแนนสองจะได้ให้ครูเห็นนะแต่บางคนเข้าห้องน้ำปุ๊บนี่ไม่ทําอะไรเลยพรากวาดใบไม้นี่ได้ห้าสิบคะแนนแต่เข้าไปห้องน้ําไม่มีคนเห็นเลยถูใหญ่ถูใหญ่จะได้ร้อยคะแนนจริงมันรู้คนอื่นไม่รู้ช่างเขาเราทําความดีเรารู้ก็พอละนั่นแหละโปรแกรมนั้นไม่ได้หายไปไหน ขาก็ไม่ได้นะล้วพิสูจน์ได้ต้องพิสูจน์ได้ยังไงอนาคตจะเกิดอะไรมันยังไม่เกิดขึ้นเลยรู้ได้ยังไงมีวิธีรู้นะง่ายมากใช่ไหมถ้าไมาเด็กมันเขียนหนึ่งบวกสองเนี่ยเท่ากับทํำไมเรารู้อนาคตเพราะมันจะตอบสามเห็นไหมลุงคนนึงถือถังสีมาเราแวะไปเห็นมันเขียนคำว่า white เข่าลุงไปไหน ซื้อสีทำอะไรจะไปทาบ้านเราล้วนอนาคตใช่ไหมบ้านลงสียอะไรใช่ไหมถ้าเราเรายึดชาติได้เราเห็นข้อมูลในอดีตบวกกับข้อมูลปัจจุบันเราจะเห็นอนาคตโดยไม่ต้องนึกคิดกรรมเก่าบวกกรรมใหม่คือผลบุญเก่าบวกบุญปัจจุบันคือผลเช่นเดียวกันทีนี้ไอ้กรรมเก่าทั้งฝ่ายบวกฝ่ายรบมันผ่านไปแล้วเราคิดยังไงย้อนหลังไปแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันนี่ชีวิตเป็นของเราเราเลือกได้ เราจะเลี้ยวซ้ายกับเรื่องของเราเลี้ยวขวากับเรื่องขเราเราจะตรงไปกับเรื่องของเราแต่สําคัญว่าเราจะมีพลังต้านกระแสรกรรมบางคนแย้งพ่อครูว่าพ่อคูบอกสัตร์โลกย่อเป็นไปตามกรรมก็ปล่อยไปตามกรรมทีปฏิบัติทำไปไพูดง่ายเหมือนมีเหตุผลนะมีเหตุผลขึ้นหนึ่งเขาไปโยนให้กรรมเก่าฝ่ายเดียวเห็นไหมถ้าคุณปล่อยตามกรรมนี่มันไหลลงที่ต่ำนะอย่งนับตกเห็นไหม มันไหลลงมาต้องใช้พลังงานไหมไม่นะแต่ถ้าแต่ถ้าเราจะสูบน้ำมัดันขึ้นมาต้องมีพลังงานใช่ไหมออยู่ที่ว่าคุณจะปล่อยกามกรรมเลยมันไหลลงที่ต่ำปลามันไม่ง้มันเราไงปลาน้ําจืดมันถึงทวนกระแสตลอดเวลาทําไมมันรู้ว่ามันตามกระแสออกทะเลตายหมดคําต่อบคือมันไม่ได้ไปโรงเรียนไงถ้ามันจะไปโรงเรียนมันจะมั่งง่ายมันจะตามเขาไปหมดเราเรานั่งคุยกันอย่างนี้มีคนกลุ่มหนึ่งวิ่งเร็วมาก เฮ้ยเขาไปไหนกลัวไปนั้นวิ่งไปตามเขาเลยเขาลงบาลงเหวก็าลงเหวกับเขาเลยนะคือเรากลัวไม่ทันตามไปว่าใม่ทําเราไม่เคยมั่นใจตัวเองเลยเพราะเราไม่เคยมาดูตัวเองเลยเนี่ยโปรแกรมของเราทั้งสี่โปรแกรมเนี่ยนะดึงให้เรามาอยู่กับตัวเองตลอดแล้วมาอยู่กับตัวเองขัดแย้งกับกิเลสที่เราเคยทาชีวิตเรามันต้องทุกอย่างเต้นอลาบิกก็ต้องดูจังหวะใช่ไหมเห็นไหม ไม่ใช่เต้นง่ายๆนะก็ต้องกลัว ๆ, ๆมันจะเต้นผิดจังหวะนะมันจะมีการจะทําเกิดขึ้นแต่โปรแกรมทั้งสี่โปรแกรมนี้ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละเมื่อกี้มาใหม่ก็้ามาปุ๊บทุกคนทําได้เนะี่เหตุว่าก่อนจะทําท่านเรารู้ว่าให้มันเต้นทําไมอะไรงี่นะ่ะมันงั้นก็เต้นไปด้วยก็ตังวลสงสัยไปด้วยแค่เรารู้พื้นฐานทุกคนทําได้หมดไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกทำเลย ชีวิตต้องไม่เคยอิสระเลยไม่เคยว่างเลยทำงานก็คิดกลัว อ, อยู่นั่นแหละกําหนดแล้วไม่เครียดรู้ไปอะชีวิตเราเลี่ยงนะตอนนี้อย่างนะี้ยิ่งอยู่เมืองหลวงพรา ก, กูบอกให้ระวังนะเห็นไหมออกไปข้างนอกรถติดถามร้อยทั้งร้อยว่ารถติดชอบไหมสายหน้าหมดแล้วใครทําให้มันติดนะ่ะคนนี่บอกใครทําให้มันตินไ ด, ดไก่รือลิงไก่หรือลิงมันไม่ง้อที่ทําให้มันติด น, นะ เพราะมันรู้ว่าทุกคนทุกคนรู้ว่าลดติดไม่ชอบเลยแล้วทําไมมนุษย์ทําให้มันติดละ่ะคนโบราณนี่แต่ก่อนนี่คนเรายังโง่อยู่ทำไมไม่ทําให้ลดติดเฮ้ยมันไม่เก่งมันมันทํารถไม่เป็นรู้ได้ยังไงมันสร้างบรรยักษ์ศิล ป, ปาการนี่ยอย่างนครวคนนีนมคนทุกนี้สร้างได้ไหมทหําไมสร้างไม่ได้เทคโนโลยีก็มีหมดเงินก็มีสร้างไม่ได้หรอกสร้างได้แต่โรงแรมห้าดาวเป็นเด็กแค่ไม่กี่สิบปีก็พังแล้วสร้างเอาเงินไงแต่เขาสร้างด้วยศรัทธา คนโบราณเขาสร้างด้วยศรัทธาด้วยปัญญาคนยุคนี้สร้างด้วยเงินแล้วก็วิชาการมันไม่มีพลังนะเขาครูยี่สิปีไม่ไปไหนแล้วเขาก็ญาติตามขอรองเขาครูไปเขมรไปไหนนะไปนอนกพนมโกลตุมเซลคนไทยเขบอกว่าไอ้พ่อพูดนำเขมีสมัยก่อนมันเห็นแก่บัวมากดูสร้างใหญ่ใหญ่เลยคนตายมาได้ ก, กี่คนนะโอเคแกดูพ่าครูถามว่าแล้วมาทำเขมีทำไม มาดูสิ่งนี้ใช่ไหมคอนทสิร์ตฟื้นขึ้นมาค่อยสิ่งนี้นะเห็นไหมเขาไม่สร้างเพื่อเขาอยู่นะเขาสร้างตั้งตั้งแต่หลายชั่วโมงจะเสร็จนะเขามีความศรัทธาว่าเขาสร้างปุ๊บเนี่ยเอาละเขาจะศรัทธาว่าเขาจะได้อยู่พระเจ้าเขาไม่สร้างเพื่เขาอยู่นะแล้วตอนนี้เนี่ยคนไปขมิบเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งนี้ใช่ไหมแล้วคนโบลาณเขาสร้างมันอยู่ได้เป็นพันพันปีนะคนทุกวันนี้สร้างโรงแรมห้าดาวเพื่อาหารมันอยู่แค่ห้าหสิบปีก็พัง นี่ยเราทําได้แค่นี้โอเคเขก็พาผู้ผู้ไปเที่ย ว, วัดแห่หนึง่งมีกล่องเป็นกระจกนะเขาบรรจุอะไรรู้ไหมกระดูกหัวกระโหลกเต็มหมดเลย The Killing ิ i เนี่ยคนยุคนี้มันทําได้แค่นี้ไงนี่มันทําได้แค่นี้ไงสร้างปืนมาฆ่าเผ่าพันธุ์แล้วก็ไปเอาเอาชนะกันในคนยุคนี้นแล้วกลับไปโรงแรมห้าดาวเนี่ยเห็นไหมไมันสร้างได้แค่นี้ไง ทังทันทีในยุคนี้เรามีความรู้เยอะแยะเลยมีเทคโนโลยีใช่ไหมมีเงินทองแล้นวนควรว่านครธมหินที่เขาเอามาสร้างนะในระแกนั้นไม่มีนะแต่ละก้อนนี่ไม่ใช่ธรรมทนานนะเขาขนมาจากไหนนะกวศาสตร์เขาคือว่าแต่กระป้อนนี่เอาลงแพร่นะในน้ำเนี่ยเอาช้างนี่ลากมาเป็นจีระก้อนแล้วก็เอาขึ้นไปบนภูเขาได้ยังไงเห็นไหมเขาใช้ปัญญาเขาใช้ศรัทธา คนทุกวันนี้มีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งเงินมีจะสร้างอะไรก็ไม่รู้อันะนี้ชี้ให้ดูไม่ใช่เขาสร้างไม่ได้นะโบราณเนี่ยสร้างรถยนต์เนี่ยเขารู้ว่าอะไรที่มันมีประโยชน์และมีททษด้วยเขาไม่ทำนะพวกเราเป็นนักการศึกษาปกผมให้กลับบ้านนะลูกกลับไปลองเขียนดูนะเปรียบเทียบระหว่างเกวียนกับรถยนต์เกวียนรู้จักไหมครับนั่นแห ะ, ะให้ขอ้อ ใ, ให้ข้อคิดเกวียนมีประโยชน์อะไรมีทโทษอะไร รถยนมีประโยช์อะไรมีโ่ษอะไรตั้งแต่กระบวนการผลิตถ้าเอาเกวียนกับรถยนเนี่ยแข่งกันนะวิ่งจากนี้ไปภุบลนะรถจนให้เติมน้ํามันครั้งเดียวไม่ได้มิบุเกวียนที่ถึงจะถึงช่างหน่อยช่างมันแล้วมันปล่อยมลภาวะนะมันถ่ายอุจจละออกมามันรีไซเคิลได้เป็นปุ๋ยสีกแต่รถยนต์มันปล่อยอะไรออกมาทัานอยากเอาเป็นอะไร เราเอาวิชาการเอาความรู้เอาเงินแล้วก็ทําเพื่อเงินเราไม่ได้ทําเพื่อชีวิตคนโบราณเขาทําอะไรทําเพื่อชีวิตเห็นไหมเขาคิดไกลไหมเขาหูตากว้างไกลนะจนทุกวันนี้คนไปเชื่อคำมีเพราะไอ้ที่เขาสร้างมาเลยไม่รู้ใครเห็นแกตัวกันแน่เนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะเป็นเก่งเล็กเก่งน้อยเป็นว่าพ่อครูมีความสุงนะที่มีโอกาส มาร่วมใช้ชีวิตกับพวกเราสองคืนสามวันเนี่ยนะก็ต่อไปก็คงมีมากอันนี้รุ่นแรกเนาะใช่ไห่ผู้บริหารที่นี่นะอาจจะมีรุ่นสองรุ่นสามเนาะเอาตั้งแต่ต้นปีหน้าพักครูฟังที่จะออกมาแล้วละพักคูอยู่ในป่านั้นช่วงหนึ่งตอนนี้ออกมาแบ่งปันได้เปลี่ยนไม่มีใครสอนใครนะยี่สิเจ็ปีพักคูไม่มังอาใช้สมองมู่พักคูปีนี้ยากหกสิบแปดแล้วมาสอนจิตอย่าบังอาจ จิตแต่ละดวงไม่ใช่ธรรมดาเขาอายุหลายล้านชาติมีแต่เอาประสบการณ์ทั้งถามลูกถามทำมาบอกทุกคนก็เข้าไปหาอาจารย์ตัวเองผู้เจ้าต้องเตือนว่าอย่าเพิเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าเพงเชื่อเพราะไม่ใช่อาจารย์จริงๆอาจารย์เราลอยอยู่ข้างในล่ะเข้าไปในเว็บไซต์เราจิตในจิตจิตเดิมมันนั่นหละครูบาอาจารย์ทุกคนฝึกวิทยายุทธศึกษาวิชาการวิชาฝึกจิตไม่เหมือนกัน สมมติว่าเราเคยฝึกมาแล้วจบปริญญาโททางวิศวะนะพอเราเปิดให้ปีสามเขาเาจะมาบ่อยตพวนี้มาใหม่ใช่ไหมไป a b บซกอไก่ ม, มันว่าเป็นบั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสมตายก่อนไม่มีทางกระแสะกรรมมันไล่บี้เันเรามีทั้งทางบวกทางลบทั้งกงงรรมดีกรรมชั่วมันไล่บี้กอยู่เราต้องไปเอาของเก่าเนี่ยมาต่อยอดนี่คือหลักมหาสติปัฐานมีอนุสติ มีสติปัญหาสี่มีมหาสิ่งปัญหานทำเพื่ออะไรอนุสติก็เอามาขีจักรยานรู้ตัวทั่วพร้อมมอใช้ทํา ง, งานสติไป่ว่าระลึกรู้รู้ตัวทั่วพร้อมแต่มันไม่มีกําลังพอที่จะลึกรู้อดีได้ทีนี้หลัก ส, สติปัญฐาสี่คือเริ่มจากฐานกายฐานเวทนานีนกไปเยียนทีละขั้นทีละขั้นไปดูกายไปดูอริยบทขวาซ้ายตามพุทโทอะไรเนี่ยแล้วก็ไปดูเวทนาไปดูอสุภาพ เกิดสังเวกอะไรพวกนี í, ổ, ้แล้วก็ไปนั่งดูจิตบ้านหลังนี้มันชื่อจิตก็ไปนั่งดูมันดูมันดูมันมันเป็นปุบายที่เราจดจบเพื่อเราไม่ต้องไปคิดมันก็เกิดสมบุกโจกคู่แล้วก็มันจะมีเห็นเงาของมันเห็นแค่เงาของมันไปสองดูหน้าต่างดูให้ข้างในมันเพื่อนหมดเลยไปเท่งดูร้อยปีมันก็เพื่อนเหมือนเก่าต้องเปิดประตูเข้าไปในจิตในจิตตายในกายวิชาณจิตในจิต เราต้งจะเสกอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่เข้าห้องนี้ไม่รู้อารมณ์นี้มันเป็นยังไงทําในธรรมคือทำอารมณ์นั่นแหละคือกองปัญญาของเรานั่นคือประสบการณ์จริงๆที่เราเราเป็นนักเวียศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เราลองไปเกิดเป็นลิงแล้วหลายชาติเกิดเป็นเสือเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นเทวดาเป็นเศรษฐีปัญญาจบเป็นเปตสุลกายทำไมเราจะไม่รู้เข้าไปเรียนรู้อาจารย์เราอาจารย์ของทุกท่านต้องไม่เหมือนกัน ไม่ใช่จับทุกคนมาเป็นหุนโยนเรียนเหมือนเอบีซีแบบทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรื่องจิตวิญญาณถ้าคิดแบบนั้นอ่ะต้องทีละขั้นนะถูกแล้วเพราะกูเคยถูกกูบาอาจารย์ที่ดังๆมาแลกเปลี่ยนแนวทางพวกกูมันก้าวกระโดดตกลขึ้นไปแล้วก็ตกบันไดมาถูกแล้วต้องทีละขั้นแต่อย่าถามว่าปฏิบัติมากี่ปีได้ชาติเท่าไหรต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาติในละทีละขั้นแต่ราทีละขั้นชาตนี้ ไปอย่างนี้แหละตายก่อนถ้าความคิดแบบนี้ถูกต้องนางวิสาขาบรรลุโสดาบันเจ็ดหัวไม่ได้เนรมันดิตเจ็ดหัวบวชแป่งบันเป็นอาหารหันต์ไม่ได้ถพา ย, ยังไม่รู้เรื่องสาสนาเลยพราะุริเจ้าแค่ครั้งเดียวฟังเทศทีหนึ่งบรรลุทำไม่ได้พราะครูนี่คนหนึ่ง40ปีพิ่งไปตามโลกสินห้ามบอกไม่ให้ทำไรทำหมดไม่มีศินนักเรียเี่พี่บเด็ก่ ถ้าไม่มีบุญเก่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะกระช้าตัวเองเออกมาจนนั้นแน่นอนเห็นไหมสามชั่วโมงบรรูุ้ธรรมได้ยังไงได้ยังไงบกสามชั่วโมงถ้าไปเทียบในยังช้ากว่าภัย่าอีกภั่ย่าสามนาทีความทำไดหนึ่งก็บรรลุธรรแล้วร เ, ลเรื่อจิตวิ ญ, ญญาณไม่ใช่ไปเรียนวิชาการแบบเราไปท่องจำว่าผู้นิจเจ้าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นก็คําคพูดเดียวกันคนนึงแปลที่ผ่านว่าอัดปาคนนึงไปวานนักตาทะเลาะกันทันนนงง้งวันนึงผู้เจ้ายิ่งแย่มากเพราะผมถึงร้องไอห้ผมเชื่อตาํารา อย่าพึเชื่อที่ทําตามตามกันมาอย่าพึเชื่อคนที่พูดเป็นมุขก็พูดอยู่แล้วสิอย่าเชื่อแต่เราก็สอนว่าต้องเชื่อต้องเชื่อมันเสียเวลาชีวิตนะของง่ายๆไปทําให้มันยากทําไมเอามาเต้นทําไมเต้นแล้งเต้นกมางมาลมันจะได้อะไรก็ได้เต้นไงบางคนทําไมต้องเต้นแล้วถามว่าทําไมต้องไม่เต้นละเพราะกูไปอินเดียนะยี่สิบปีป่าเขาพาไปเอินเดียเพราะกูถามไปไกลอินเดีย ทำไมรถถึงอิดบียแต่จังเลยมันบอกว่าแต่มีไว้ให้บียดเบียดให้ไหมแต่มีไว้ให้บียดบ้านเราลองบีบเกินสามครั้งหนึ่งตายนแนเย่เห็นไหมเห็นไหมทําไมไม่เหมือนกันละ่ะพราะกูถามว่าทำไมหนังกนเดียทําไมไม่จะ เ, เต้นไม่จะลํามันก็บอกว่าทําไมยังไม่เต้นละ่ะเราพุ้นเคยว่าฝึกจิตต้องสงบนิ่งนิ่งนั่งเงียบเงียบอันนั้นอันนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะอันนั้นฝึกวิชาสมาธิวิชาสติเฉยเฉยไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เจริญสติเจริญฝึกสมาธิเจริญสตินะอันนั้นเป็นวิชาฝึกสติสผู้เจ้าก็บอกยกตัวอย่างมันมีสี่สิบกรรมปาะนานในฝึกสมาธิสติแต่เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมต้องเจริญมั่ผลนิพพานแต่การเจริญมั่ต้องใช้สมาธิใช้สติใช้ปัญญาอินรีห้าพละห้าโคจงเจ็ดมั่มีองค์แสติสมมประธานสี่สมัตประานสี่ เข้าใจว่าอิทธิบาทสีรวมกันแล้วเป็นโพธิปภิญญยธรรมสามจิเป็นประการเรามีเครื่องมืออยู่นี้อยู่แล้วเต็มเปี่ยมแต่มันอยู่ในโกดังนะเปิดโกดังเข้าไปเปิดเข้าไปแล้วเอาออกมาใช้เดินป่านั่นแหละคือเครื่องมือเดินป่าไม่ใช่มัวจะไปฝึกวิชาอะไรอยู่ในป่ารอเสือมันจริงที่บอกป่าให้ได้นะเราหลงในป่าว่าจัดสงสารมาหลายพกหลายชาติ สำหรับพักูยืนยันนะพักูชีวิตพักูมันถูกจับวางละสี่สิบสิ่งให้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเลยสิ่งสิ่งจริงๆมันรอดตายมาได้เถือว่าโู้บุญเก่าทังนั้นแหลนะเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันตายไปหลายคนเพราะเราเราใช้ชีวิตเราแบบเสี่ยงมากเห็นะไหมแล้วแล้ ว, ลวอะไรทําให้พักูปลดออกไหมได้ถ้าไม่มีบุญเกา่าชีวิตนี้นี่ยังไม่รู้เลยสี่ห้าคืออะไรนะแล้วที่สอนบอกว่าต้องมีศีลเป็นเบื้องต้น ถ้าไม่มีสมาธิไม่เกิดถ้าสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเพราะคุณค่อนข้างจะแย่เพวกะคุณไม่มีศีลถ้าศีลแบบนั้นนะศีลห้าศิลแปดิีลิบกว่าศีลห้าใครรู้ว่ามีอะไรข้อแรกคืออะไรลุงห้ามข้าสัตว์ข้อที่สองใครรู้เอ๊ะห้ารักศัพท์ข้อที่สามกาเมตุห้ามมีศีลนในกามมุสาวไมโกหสุลา คนพุทธิธรรไม่ได้ห้ามนะให้ละเว้นพระอรหันต์ีกงเาาาา น, กงนี่ยชี้เมาเลยแต่ไม่ต้องเรียนแบบนะมันไม่เหมือนกันนะพวกเรากินไปปุ๊บร้อยทั้งร้อยเมากาดสติแล้วไปสร้างกรรมนะแต่อารหาัานต์ีกงเนี่ตัวเมาจิตไม่เมาท่านมองสมองสิกสัยไม่ให้มันทํางานจิตถึงนรู้ตัวเมาแต่จิตไม่เมาแต่ว่าไม่ใช่บรรทัดฐานทุกคนไม่เหมือนกันพราะครูเห็นคนหนึ่งกินเหล้าทุกยี่ห้อ สูุหรี่วันหนึ่งสามสี่สองโกหกด้วยเราเป็นพ่อคามันถามสูดเราเรื่องอะไจะบอกค้นคคนหาเกือบตายไปกินลาหารมะกูดโอ้ที่นี่ไม่มีผมชุรดไม่มีเพราะฝรั่งเขากวผมชุรดมากกว่าเอาไปตรวจในให้องในใ น, ใ น, ใ, นในครัวเม็ดหนึ่งก็ไม่มีนะแต่มันผสมาจากมันจริงมาเรียบรอยย้อยแล้วมะกรูดลดจากสมาธิสาชมชั่วโมงนั้นระเบิดปึ้งชีวิตเปลี่ยนเลยสูบุหรีไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ตีก๊ก็ไม่ได้ ยิงนกตกปลาก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันกลัวผิดสินะไม่มันไม่มีเหตุต้องทำเมื่อความรู้สึกอย่างมันไม่มีแล้วอาหารจา์โปรดพ่อครูเนี่ยนะในอเมรกานะทีโบงสเต็กถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้กินนอนไม่หลับสมองพ่อครูยังจําได้พ่อครูเคยทําอะไรหมดแต่ตอนนี้พ่อครูจํารสชาติมันไม่ได้ถ้าไป น, นั่งคิดว่า เ, เออเราสูบบุหรี่ได้จะไมสามสี่สองรสชาติมันเป็นยังไงเล่ายัางไง พวกคุณจาไม่ได้มันระเบิดตรงนั้นว่าเราไม่มีความอยากแล้วทําไมต้องกระเสือกกระสนไปกินมัน่ะในอดีตไม่ใช่ไม่มีความรู้นะรู้ว่ากินแล้วไม่ดีสุขไม่ดีรู้หมดรู้แต่ก็ยังไปทําอยู่สมองรู้แต่จิตไม่รู้เข้าใจไม่เข้าจิตพอจิตมันรู้ปุ๊บเนี่ยจบมันไม่ใช้เหตุผลเลยจะไปทํำนักผิดศีลแล้วยี่สิบเจ็ดปีไปอยู่ในป่านั้น พรากูไม่มีศีลทุกข้อกูไม่ได้ถือศีลแต่ไม่ทาชั่วแน่นอนตอนนี้มือถือปากปากถือสิถือถือหลุดๆจนไดอนสิลห้าเมื่อกี้ลาเวลาเวชใช่ก็าตั้งข้อแรกใช่เขไม่ฆ่าสัตว์ข้อที่สองใช่เขาไม่พูดบ่อนะไม่ผิดศีลในกลางนั่งเฉยๆก็เท่ากับตอไม้ไงฮะไอ้นี่ก็มีศีลห้าเลยไม่ได้สร้างบารมีอะไรเลยก็จะไปนีพานได้ ทาซานมีสิหนห้าอยู่แล้วเต็มนเปลี่ยนนะท่าซานวิจารท่าซารมันอยากได้รู้เป็นไหมื่อมันไม่มีความอยากจะมันไม่ต้องโกหกรตั้แต่นั้นมันมีสิน ค, คือความปกติของจิตทุกคนเกิดมามีสิหนห้าอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันหายไปไหนมันถูกความรู้ผิดใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพิ่มความอยากเม่อยากได้รุ้ โ, คโคกหกเรา เครียดมากเลยหาทางออกไม่ได้ไปทิงเลากับอขกเพกบเพื่อนความเบื่อสินห้าให้เป็นคนะแล้วก็ต้องมาแก้เลยว่าถือสินห้าถืออย่างก็ถือถือหลุดุดแตมันไม่ใช่ของจริงเพราะกูแปลกมากสิสิปีเพงไปตามโลกก็ไม่มีสินยี่สิบเจ็ดปีถอยมาอยู่ในป่านั้นก็ไม่ต้องถือสินติดไอ้คนไม่มีสินยแต่มันไม่ทาชัวแน่นอนมันไม่มีเหตุต้องทําชัว มันแก้ที่ต้นเหตุคือมันทำลายความอยากมันระเบิดมันฆ่าไอ้คนที่มันไม่ใช่ความอยากมันฆ่าคนที่มันมีความอยากนั้นที่ที่ว่าระเบิดอัปปาเข้าสู่สุญญตาจิตมันยังอยู่แต่มันบ้างจากอัปปาแล้วกิเลสจะไปเกาะอยู่ที่ไหนพวกที่เจ้ามีจิตแล้วโปค์ยังอยู่พูดแรงเลย แต่พระองค์ไม่ต้องมาเกณฑ์ไหว้าตายเกิดในสามโลกกระทนี้จิตตัวรู้นั่ยังอยู่จิตสื่อจิตได้ใครสั่งพระครูก็อยู่ในบ้านั้นใครจางพระคูก็ไม่ได้ไอ้เงินพระกูหนี ม, มาเงินเต็มบ้านก็หาความสุขไม่เจอพระครูไม่ได้ดูถูกเงินนะเงินเต็มบ้านนะสุดท้ายมันเหม็นมากถุงเงินมันขาดเนี่ยไม่รู้อะไรไปกัดมันพระครูไม่ได้เห็นเงินแต่เงินมันเหม็นมาก ทำไมเม็นอ่ะขอทานก็จับล้างถ้วยร้างจานก็จับเส้นสีก็จับไปก็จับแบงพวกทำ ง, งานแบงระวังนะตอนนี้มีเครื่องนับมาเหยัดอยู่สมัยงงก่อนเนี่ยบรรดาทํานไมระวังนะมาเล็กอ้าวแล้วทําไมก่อนหน้านี้สมมุติว่ายี่สิบาทจนยาล่าตอนปีสิบปุ๊บเป็นห้าศูนยเลยนยมันเป็นแค่สมมุติในกระดาษใบเดียวเหรอเห็นไหมแล้วก็เป็นปิดสมมติแล้วก็ค่ากันเพราะไอ้สมมติเนี่ย แต่พระภมิมัธยมเศษมันคือสมมุติเป็นสิ่งแรกเรียนตอนสังคมนี้เราต้องอยู่กับมันแตยอยู่อย่างรู้เท่าทาันมันไม่ใช่เอามันเป็นพระเจ้าทั้งหมดคือเราไม่เข้าใจชีวิตคืออะไรนี่แหละตอบโจทย์ว่าทําไมต้องเสียสละเวลาเนี่ยมาเข้าโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้ไม่มีวิชาสอนนะเรามาเดินถางด้วยกันเรามาจุ่มแยนกับเรื่องามเลยแตาไม่มีใครสอนใครไม่มีใครสอนใคร อายุเท่าไหร่ก็ทำได้ตั้งแต่สามขวบจนถึงเก้าสิบกวายู่สูงและปฏิบัติพร้อมกันทุกวันเห็นไ้มไม่ได้มีใครสอนใครไม่ใช่วิชาสอนมาใหม่ใช่ั้มมาไปด้วยกันพี่าบางครั้งเนี่ยคนเราพิตกจะดิ้นเอิไปดูโอเรนเทชั่นหน่อยดูแนวทางหน่อยนึ่งเข้ามาจจะไปตกใจเฮ็ยเป็นอะไรอะไรแปลกๆนะเพราเราไม่เคยเห็นแบบนี้นะนี่แหละ แค่สามวันนี้เรามีโอกาสมาทําในสิ่งที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำมาเอาความบ้าออกอย่าไปกดความบ้านะกดมันไว้มันยังอยู่เอามันออกทั้งหมดเลยวิธีเราจะหายบ้าก็คือเอาความบ้าออกไม่ใช่กดความบ้าไว้เป็นติงกดทรงนะรักษาบุคลิกภาพมาเลยงต่อย่าเป็นแบบนี้อยู่ในห้างนะก็กลับไปโรงแรมก็กินพวกคูเมนัว น, นะล้วก็ต้องรู้ว่าตรงไหนควรนะนะ พอกลับไปบ้านนะครับขอสักห้านาทีทุกเช้าก่อนจะแปลงไฟไม่ต้องเพลงอะไรก็ได้ยืนเช็คถึงปลุกเราตื่นภาษาอัจีนบอกว่าเช็คอัพดวงมป้ปลุกจินให้เราตื่นใช่ไหมเอาสมาธิสมาสติสมาธิมันตื่นนะแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายนอนทับมันทั้คืนเลื่อกลงมั ก, ก็วิ่งทีนี้ก็ทํางานทั้งวันเวลาทํางานน่ยพยายามอยู่ปัจจุบันขับรถไปอยู่การขับรถไม่ใช่ฮัลโหล คิดด้วยแล้วก็พูดด้วยพอเขาด่ามาปุ๊บวีปุ๊บอารมณ์นั้นกระทบการทํารบในชนกันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทําตลอดอยากเปโรคมากทำหลายอย่างเนาะเวลาทํางานก็ อ, อยู่กับงานตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับมันนี่นคือฝึกนี่นคือปฏิบัติธรรมการทําหน้าที่คือ ป, ปฏิบัติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทําไปด้วยคิดว่าเดี๋ยวเสร็จก็จะไปทําอะไรแล้วก็นึกไปด้วยไม่เมื่อวานไม่น่าทําอย่างนี้มันอารมณ์มันจะกระทบสิ่งที่เราทํา นะก็จำไว้ว่าอย่าห่วงอนาคตทุกคนมีอนาคตอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็อนาคตของเราปีหน้าอนาคตชาติหน้าก็อนาคตอย่าหวง ม, มันมีอยู่แล้วทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะนั่นก็ปฏิบัติทั้งวันทํางานทั้งวันถ้าเราทําอย่างนี้มีความสุขทั้งวันเลยอารมณ์มันแทรกไม่ได้ไอความที่ไม่กังวลอะไรเลยนะั่นจะเป็นความสุขอย่างยิ่งแต่เลือกเอาเช็คหันแรนหรือว่านั่งเบียรเนี่ย แล้วแต่เราทำแล้วแต่สิ่งแวดล้อมขอสักยี่สิบสาสิบนาทีก็พอทุวัคุณแม่วนนมัน น, น, นึงอาบน้ำไหมอาบทําไมเปืองน้ำให้ฤาษีปีหนึ่งอาบนึงครั้งหนึ่งก็พอเลยถ้าไม่อาบมันเป็นยังไงครับาจะ ก, กลกัวเป็นโรคิวหนวกใช่ไหมแล้วทําไมไม่กลัวขา้างในสุขภาพดูแลนะคนไม่รู้ไม่ผิดแต่คนรู้แล้วไม่ทํานี่ถูกลงโทษสองต่อรู้แล้วกลับบ้านทําต่อเรื่อไม่ต้องเยอะวันหนึ่งแค่นี้ รักษาระดับไปด้วยเหมือนเราสะสมพลังไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจำไว้นะสิ่งนั้นนะ่ะมนุษย์อย่าบังตาสั่งให้มันเกิดขึ้นมนุษย์ไม่ได้เก่งมากแค่ไหแต่มนุษย์เรามีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเขาจะเกิดขึ้นเมื่อเขาจะเกิดขึ้นนี่คือเตรียมความพร้อมแล้วถ้าวันไหนเสาร์อาทิตย์ว่ามีเวลาว่างหน่อยก็เอายาวหน่อยหนึ่งเอาไปว่าช่วงครึ่งครึ่งชั่วโมงหน้าที่เรานั่งนั่งเบี่ยงหมุนเนี่ยนะ มันจะเอาไออารมณ์เพื้อนประจำวันนีอ้ออกแต่ถ้าเรายาวปุ๊บมันะเอาของเก่าออกด้วยนะเนี่ยสมมติว่าเรามานี่เราเทน้ำออกมาแล้วเทน้ำเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปิดฝาฝานี่คือสติทําอะไรต้องสํารวจระวังแต่ไม่ใช่ต้องเขร่งเทรียดจนหุ่นยนต์ไปกาหนดโน่นกินข้าวก็ต้องยกนกน อ, กนอยกหนอเอาเข้าปาดหนออะไรเนี่ยอันนั้นมันหุ่นยนต์นะก็รู้ตัวทั่วพร้อมก็ทำเลยปิดฝาฝานี่คือสติ แต่บางครั้งลูกเรโตมาอั้งวามก็เพิ่มกระดุดเราลงเข้ามาอีกชีวิตเราเผยอยู่แล้วเนาะกลางคืนเราก็ลางมันลงสะสมแป้งไปเรื่อยๆแล้วก็พอมีเวลาปุ๊บยาวก็ไปเอาของเก่าออกด้วยถ้าวันไหนเราคว้างแก้วได้นะปลอดภัยนะครวบาอาจารย์ปฏิบัติมาว่าเป็นองค์สภาว่าเฮอปุ๊บมีคนตีหัวตูดต้องไปเลยมีหลายนั้นถ้ามันยังไม่ถึงขั้นขว่างแก้วนี่ยังไม่ปลอดภัย ถ้าคนมีศิทธินะเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐถ้าไม่มีบุญเยอะๆไม่ได้เกิดอยู่ในร่างมนุษย์ถ้าไม่เยอะเต็มที่เราไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่กูบอกไม่ใช่สินค้าไม่ตองโกงส่งน้ำถ้าไม่เยอะจริงๆไม่ได้มา่งอยอย่าประมาณนะถ้าไม่มีกรรมช่วเราก็ไม่ได้มาเกิดนีกเรามีสองด้านแน่ๆอย่างประมาณ อย่างพุทธเจ้าถึงคือว่าให้เราทำสามอย่างเองไม่ง่ายไหมเราเรียนตั้งแต่รูปานจนถึงปริญญาตรีโทเอกเนี่ยเจ็ดแปดบทวิชาลําบากมากเลยบุษาเรียนอะเรียนจบเป็นด็อกเตอร์แล้วยังมานั่งเสียงกันอยู่ยังไม่ยังยังยังไม่พ้นทุกข์ทำงานก็แก่งแย่งจริงก็ยังไม่ทุกข์มันจะตายก็ยังทุกข์อีกกลายไม่ลงเยังทุ่มเทตลอดชีวิตเลยอันนี้ผู้พุทธเจ้าบอกทำสามอย่างได้แค่สามอย่างง่ายๆแค่ทําดีละชั่วขัดเจาจิตให้ปร่งใสก็ได้ แต่เครื่องมือนี้เรามีอยู่แล้วไงง่ายมากวิชาไหนมันง่ายขนาดนี้แต่ถ้าทําสําเร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่เราแก้ปัญหาชาติเดียวนะเราแก้ปัญหาหลายๆชาติเลยทําลายวัฏฏ์าสงสารไม่ต้องเรียนไหวใจเกิดเราสะสมกองกระดูกเราทุกดวงจิตมีกองกระดูกเข้าภูเขาปพัศมีนเไยนะสมัยเกิดเป็นเสือเป็นดิงเป็นช้างเป็นอะไรอะไรเนี่ยเยอะมากสนุกดีต้องเรียนแต่ใจเกิดดีเ เจากเกิดดีนะว่าถามคุณยายคนหนึ่งนะโอ้ยยายแกแล้วมีความสุขไหมโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีทําไมแกล่ะก็่เขาบอกก็ไม่แก่ได้ยังไงได้ถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจำแน่นแน่นห้ามเกิดดีทําได้ไม่จําไงที่ลืมเดื่อยมันทูกอยู่แ้วไง ตายแล้วจะเผื่อ ม, มาเกิดดีไหมอี่แก้งลืมแก้งลืมแม่ด้มาลืมจริงๆไม่ผู้เจ้าให้วิชาเราวิธีลืมฟืน้น่ยมหาสติปัฏฐานคือคําตอบเราดีวายเข้าไปไปเรียนรู้กับอีตพระพระองค์ไม่ได้นั่งเทียนเขียนนะนั่งเทียนคิดว่าเออมีเทียนไห้ตายเกิดบาปผมเอะพระองค์เห็นธรรมจากที่พระองค์ระลึกชาติเป็นวิชาแรกที่ผู้เจ้าจัดสรุ้คือบุคเพนิวาสานุสติญา ยานรู้ในการลึกชาติทำไมเป็นพระเมสสันยอนเป็นอะไรอะไรอันนั้นแหละคือบทเรียนชีวิตก็เห็นว่าเฮ้ยเาตายแล้วมันมันไม่หยาบเลยมันมาเกิดแล้วมันแบกกรรมมาด้วยไอ้กรรมดีมันก็มามามามารับมันกรรมชั่วมันก็มารับเห็นไหมพระองค์ไปเห็นจากอดีของพระองค์เองเห็นไหมวิชาที่สองว่าเฮ้ยแล้วเร า, เร า, เ, ราเราสร้างกรรมได้ยังไงแบบเขาไม่เกิดมา หน้าตาสวยหน้าตาขี้เหล่เกิดมาขาเป๋เกิดมาฟันหลอฟันอะไรเนี่ยอะไรกําหนดก็อดีตที่พระองค์ไป็นระลึกชาติน่ะกรรมเป็นตัวกําหนดไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนเลยบรรลุวิชาที่สองคือจุตุปาฏิยานยังรู้ว่าด้วยการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมทีนี้พระองค์เห็นว่าเราเผอสร้างกรรมมาหลายชาติแล้วหลายล้านชาติแล้วเราจะมาจ่ายหนี้กรรมชาติเดียวได้ยังไงนี่แหละเป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลมีแห่งเดียว เพราะเราไมเห็นต้นเหตุที่เราสร้างกรรมเพราะเรามีอาสวักิเลสกิเลสทาให้เกิดปัญหาความอยากอยากไปโกโหกเขาก็เอาอยากยไปรังแกเขาก็เอาอยากยไปป่นจาบฆ่าเลยก็เอามันก็เป็นกรรมเนี่ยวิชาที่สามนี่อาสวัตไหยาอยากอยากด้วยกรรมด้วยวัยกรรมด้วอาสวักิเลสก็คือมกักมีไม่สมเงนื่องรูแล้วจะเอาไหมแค่นั้นเองมไม่เอา ถ้าโมงแน่นอกมาเบกเลยพูดไม่ออกเลยเพราะครูมีความสุขนะได้อยู่กับเราแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภสษีรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบารมีที่ได้ร่วมกันพระคุณปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเธอ